ตด่นท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชิทุกท่านวันดีเป็นวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่างจากภาวกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบังเ็นมาปฏิบัติมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยจิตศรัทธาคือมีความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเหมือนกับสะพานที่จะเชื่อม หัวใจของพวกเรากับพระพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมคำสอนกับพระอริยสงสาวกกับมรรคผลนิพพานกับการหลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเริ่มต้นที่ศรัทธาเป็นหลักถ้าไม่มีศรัทธาแล้วก็เหมือนกับไม่มีสภาเชื่อมกันระหว่างพระพุทธศาสนา กับหัวใจของพวกเรานะเมื่อไม่มีศรัทธาแล้วก็จะไม่มีมรรคผล น, ผนิพพานไม่มีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นการปลูกฝังศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาความเจริญทางด้านจิตใจคือปรารถนาความสุขของพระนิพพาน ปรารถนาความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดยงต้องมีศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนและเชื่อในพระอริยสมสาวกทั้งหลายการที่เราจะเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นเหมือนกับการดูโฆษณาของสินค้านั่นเองถ้าเราไม่เคยได้ดูโฆษณาของสินค้าที่เราไม่รู้จักเราจะไม่รู้สรรพคุณของสินค้าว่ามีคุณมีประโยชน์อย่างไรเราก็จะไม่สนใจเราก็จะไม่ ไปซื้อสินค้านั้นมาแต่ถ้าเราได้เห็นโฆษณาได้เห็นสรรพคุณของสินค้านั้นว่ามีคุณมีมีคุณมีประโยชน์กับเราอย่างไรเราก็จะเกิดความศรัทธาเกิดความอยากได้แล้วเราก็จะไปซื้อมาเมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็จะได้ทดลองใช้สินค้า อันนั้นถ้าสินค้าอันนั้นมีสรรพคุณตามที่เขาโฆษณาไว้ทำให้เราได้รับประโยชน์เราก็จะเกิดศรัทธาอย่างมั่นคงคือเราจะซื้อสินค้านี้ต่อไปโดยที่จะมีการโฆษณาหรือไม่มีการโฆษณาก็ตาม พระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับสินค้าชนิดหนึ่งที่เราต้องได้เห็นโฆษณาได้เห็นสปปรรพคุณของสินค้าว่ามีคุณมีประโยชน์กับเราอย่างไรดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะธรรมนี้เป็นสินค้าที่พวกเรา ไม่เคยได้สัมผัสรอบรู้กันมาก่อนนั่นเองเราจึงต้องได้ยินได้เห็นโฆษณาของธรรมะการฟังเทศฟังธรรมนีแหลหรือการศึกษาอ่านหนังสือธรรมะต่างๆก็เป็นเหมือนกับการดูโฆษณาพอเราเห็นโฆษณาว่ามีสัตวรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้เช่นพระพุทธศาสานา เป็นศาสนาที่ตรงกับความจริงที่เรียกว่าสวากขาโตภะวตาธรรมโมเป็นธรรมะเป็นคำสอนที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความจริงทุกประการคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาปไม่มีความปลองอยู่ในนั้นเลยคือเป็นความจริงทั้งนั้นไม่ว่าจะทรงสอนเรื่องนรกกรดี เรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องบาปก็ดีเรื่องบุญก็ดีเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็ดีเรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ดีเรื่องมรรคผลนผิพพานก็ดีเรื่องกรรมก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความจริงทั้งนั้นไม่มีความปลองซ่อนอยู่เลยพวกเราหลังจากได้ยินได้ฟังแล้ว เราสามารถที่จะเชื่อได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามีผู้อื่นที่เชื่อและสามารถพิสูจน์เห็นได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วนั่นก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่ได้นำเอาธรรมะที่ได้เห็นด้วยกับใจของตนมาเผยแผ่ให้กับพวกเรา ต่ออีกต่อหนึ่งจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านได้จากพวกเราไปเป็นเวลาอันยาวนานแล้วแต่เรายังมีพระอริยสงสาวก พ, พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้ปฏิบัติและบรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สารโลกท่านได้เห็นอย่างชัดเจน และเป็นผู้ที่รับรองสินค้าของพระพุทธศาสนาว่าเป็นสินค้าที่มีสปปรรพคุณตรงกับการโฆษณาทุกประการพวกเราถึงแม้ว่ายังไม่ได้สัมผัสรับรู้กับสปปรรพคุณในเบื้องต้นเราก็ต้องเชื่อก่อ น, ต, อออนต้องเชื่อว่าสินค้าที่เราเห็นที่เราได้ยิน ในโฆษณานี้เป็นสินค้าที่จะมีคุณมีประโยชน์กับเราเหมือนกับเราดูโฆษณาพอเราเห็นสินค้านี้ว่าสามารถที่จะให้คุณให้ประโยชน์กับเราได้เราก็เกิดศรัทธาที่จะไปซื้อสินค้านั้นมาทดลองมาพิสูจน์เช่นเดียวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำความดีทั้งหลาย ให้ถึงพร้อมให้ละบาปทั้งปวงและให้ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นเหตุสร้างความเศร้าหมองสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปแล้วใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ จะเป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่ไม่มีวันหมดสิ้นเป็นความสุขที่เรียกว่าปรม a m สุขขันเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือสรรพคุณของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวก ถ้าเราได้ฟังทำอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาที่จะน้อมนำออกไปปฏิบัติพอเราน้อมเอาไปปฏิบัติ เ, เปปตช่นวันนี้เราก็มาทำความดีต่างๆเรามาละบาเรามาชำระใจของเราให้สะอาดเราก็จะเห็นผลที่จะเกิดขึ้นมาภายในใจของเราตามลำดับพอเราได้เห็นผลแล้วความเชื่อของเรา ก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปและจะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้มากขึ้นไปเหมือนกับการที่เราไปซื้อสินค้ามาทดลองพอเห็นว่ามีมสปปรรพคุณตามที่แถวได้โฆสนาไว้ตอนต้นเราก็ซื้อมาเพียงชิ้นสองชิ้นพอเห็นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณมีประโยชน์ ทีนี้เราก็กลับไปซื้อมาเป็นโหลเป็นร้อยก็ได้เพราะเราเห็นคุณค่าของสินค้าชนิด น, นั้นแล้วฉันใดพอเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามเราก็เริ่มปฏิบัติจากน้อยขึ้นไปก่อนเพราะเรายังไม่แน่ใจยังไม่มีศรัทธามากพอ เราก็ทําบุญให้ทานไปพาผ่กาก่อนตอนต้นแล้วก็ทํเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อทดลองดูว่าทําไปแล้วจะเกิดอย่างไรศีลเราก็รักษากันอย่างเล็กๆน้อยๆไปก่อนการนั่งสมาธิการปฏิบัติการเดินจงกรมก็ทํากันเล็กๆน้อย ๆ, อยๆไปก่อนแต่พอได้สัมผัสรับรู้กับผลที่เกิดขึ้นมาภายในใจ ทำแล้วจิตใจมีความสุขมีความเย็นมีความสงบมีความสบายมากขึ้นก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะทํามากขึ้นทานที่เคยให้เล็กๆน้อยๆก็จะให้มากขึ้นศีลที่เคยรักษาบ้างไม่รักษาบ้างก็จะพยายามรักษาให้ได้อย่างต่อเนื่องการปฏิบัติ เดินจงกรมนั่งสมาธิที่เคยทำแบบรุ่มรุ่มนอนดอนก็จะเริ่มทำเป็นกิจลักษณะจะกำหนดเวลากำหนดสถานที่ว่าจะปฏิบัติตอนไหนเวลาใดและที่ไหนเมื่อได้เพิ่มมากขึ้นไปก็จะได้ผลมากขึ้นไปความภาคเพียนคือวิริยะก็จะเริ่มมีมากขึ้น เหมือนกับการทำงานตอนต้นเราก็ไม่แน่ใจว่าทำงานแล้วเราจะได้เงินเดือนหรือเปล่าถ้าทำไปแล้วสิ้นเดือนไม่ได้เงินเดือนเราก็จะรู้สึกท้อแท้ไม่อยากจะทำแต่พอเราทำแล้วพอถึงสิ้นเดือนได้รับเงินเดือนเราก็จะเกิดมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจมาทำงานทุกวันไม่ให้ขาด พราเรารู้ว่าเราทำแล้วเราได้รับเงินเดือนได้ผลตอบแทนการทำความดีเช่นการทำบุญให้ทานนี้ก็ดีการรักษาศีลคือการละบาปก็ดีการปฏิบัติธรรมหรือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิก็ดีก็เป็นเหมือนกับการทำงานพอเรายังไม่ได้เห็นผลเราก็จะรู้สึกท้อแท้ จะไม่มีวิริยะความอุสาหะเพิ่มมากขึ้นแต่พอเราทำแล้วเราเห็นผลแล้วทีนี้เราก็จะมีวิริยะที่จะทำที่ขยันที่จะทำให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเมื่อเราทำมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะได้ผลเต็มที่เต็มร้อย ได้มรรคผลนิพพานในที่สุดเช่นพระสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่ในตอนต้นท่านก็ยังไม่มีอะไรภายในจิตใจของท่านยังเป็นจิตใจของปุถุชนที่มีความโลภความโกรธความหลงมีกิเลสตัณหาความอยากมีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่าง แต่พอได้ดีได้ฟังพ่อธรรมขับสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเกิดศรัทธาปฏิบัติตามพอได้ปฏิบัติแล้วพอก็จะสัมผัสกับผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติก็จะเกิดมีศรัทธามีวิริยะเพิ่มมากขึ้นที่จะปฏิบัติทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะ ได้บรรลุเป็นพระ อ, อริยสงฆ์สาวกเช่นเดียวกันกับพระ อ, อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเพราะนี่คือสวาสขาโตภะวตาธรรโอเป็นธรรมที่ถูกต้องตามหลักความจริงตามหลักของเหตุของผลถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีการบรรลุถึงมรรคผลนิพพาน มีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางผลนี้ได้ไม่ใช่เพศไม่ใช่วันณนะไม่ใช่อายุเช่นจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนแก่ก็บรรลุได้เป็นหญิงหรือเป็นชายก็บรรลุได้เป็นคารวะหรือเป็นบรรปะชิต ก, ก็บรรลุได้ ถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในบุคคลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยและไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุได้เพียงในเวลาที่มีพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพและทรงสั่งสอนไม่ได้หมายความว่าสมัยปัจจุบันนี้จะไม่มีใครสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ พ่อธรรมะของพพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโก้นั่นเองอาการลิโกก็คือไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่มีวันเสื่อมตามการตามเวลาไม่เหมือนกับสินค้าต่างๆเช่นอาหารหรื อ, อยาเวลาที่เราซื้ อ, อยาซื้ออาหารมาจะมีฉลากติดไว้ที่ภาชนะบอกให้เราบริโภคก่อนวันนั้นวันนั้น ไม่เช่นนั้นแล้วยานั้นจะเสื่อมคุณภาพอาหารนั้นจะเป็นพิษได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีฉลาถ้ามีฉลา ก, ก็คือไม่มีวันหมดอายุใช้ได้ตลอดเวลาใช้ได้ในสมัยพระพุทธกาลใช้ได้ในสมัยนี้และใช้ได้ในสมัยหน้าไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีวันหมดอายุตแต่ต้องมีสุ ป, ปฏิปันโนคือต้องมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทท้งนั้นเพราะนี่คือเหตุที่จะทำให้ผลของการปฏิบัติปรากฏขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติต่อให้เรามีความเชื่อต่อให้เราฟังเทศฟังธรรมอยู่ทุกวี่ทุกวัน แต่เรายังไม่ทำความดีให้ถึงพร้อมยังไม่ลาบบาปทั้งปวงยังไม่ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ความเชื่อเหล่านี้ก็จะไม่เกิดผลตดอย่างใดเหมือนกับการที่เราได้เห็นโฆษณาและเราเชื่อว่าสินค้าที่เราได้เห็นนี้มีสรร พ, พคุณมีคุณมีประโยชน์แต่เราไม่ไปซื้อสินค้านั้นมาใช้ เราก็จะไม่ได้รับคุณไม่ได้รับประโยชน์จากสินค้านั้นดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังโฆษณาของพระพุทธศาสนาแล้วแล้วรู้แล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องน้อมเอาสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนี้มาปฏิบัติ สอนให้ทำความดีเราก็ต้องปฏิบัติทำความดีกันสอนให้ละบาปเราก็ต้องละบาปกันสอนให้เราชำระใจของเราให้สะอาดโอยสุดเราก็ต้องชำระกันนะการทำความดีก็คือทานนี่เองการทำความดีคือบุญต่างๆเช่นทา น, นนี้เรามาให้ทานนี้เป็นการทำความดี จะให้ทานกับใครก็ได้ให้กับบรรพชิตคือพ้าพุกสุก็ได้ให้กับคาวาะก็ได้ให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้การให้นี้เป็นบุญเหมือนกันหมดเพราะจะทำให้จิตใจของเราเป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นความสุขขึ้นมานั่นเองความสุขนี่แหละคือสวรรค์สวรรค์ไม่ใช่เป็นสถานที่สวรรค์คือสภาพของใจเรา ถ้าใจเรามีความสุขใจของเราก็เป็นสวรรค์ถ้าใจของเรามีความทุกข์เช่นเวลาเราไปทำบาปใจของเราก็เป็นนรกนรกและสวรรค์นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราเกิดจากการกระทาของเราทำความดีใจก็เป็นสวรรค์ทำบาปใจก็เป็นนรกชาระใจให้สะอาดบริสุทิ์ ใจก็เป็นมากผลนิพพานขึ้นมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราต้องทาทั้งสามส่วนทาความดีเพื่อสร้างสวรรค์ภายในใจไปก่อนในขณะที่เรายังไปไม่ถึงมากผลผนิพพานอย่างน้อยก็ขอให้เรามีสวรรค์เป็นที่อยู่ของเราละบาปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปติดคุกติดตารางของนรก อย่าไปทำบาปรักษาศีลห้าไว้ให้ดีศีลห้านี่แลจะเป็นเครื่องป้องกันใจของเราไม่ให้ไปตกนรกเมื่อเราทำความดีทำบุญให้ทานได้แล้วรักษาศีลห้าได้แล้วท่านต่อไปเราก็ต้องมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่ากิตสภาวนาการเจภาวนาได้ผลนี้ อยู่ที่การเจริญสติเป็นหลักถ้าไม่มีสติแล้วการภาวนาก็จะล้มเหลวไปเหมือนกับถ้าไม่มีศรัท ธ, ธาก็จะไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างใจของเรากับพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีศรัท ธ, ธาวันนี้เราก็จะไม่ได้มาวัดเราจะไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาทาบุญรักษาศีลปฏิบัติ ท, ทำกันฉันใด ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่ได้สมาธิแล้วเราก็จะไม่ได้ปัญญาที่จะเกิดจากการมีสติมีสมาธิดังนั้นถ้าเราอยากจะภาวนาปฏิบัติธรรมให้ได้ผลเราต้องเริ่มต้นตรงที่การเจริญสติเราต้องสร้างสติสติตอนนี้เราก็มีอยู่แต่มีในระดับของปุตชน แต่ก็สูงกว่าในระดับของเดรฉาจิตของเรานี้มีสติพอที่จะยับยั้งเวลาที่เราจะไปทำบาปทำกรรมได้แต่เดรฉานี้เขาไม่มีสติพอที่จะยับยั้งเวลาที่เขาหิวอย่างนี้เขาจะต้องไปฆ่าผู้สัตว์ตัวอื่นเพื่อที่จะได้มีอาหารนารัประทาน แต่พวกเรานี้มนุษย์นี้ถือว่ามีสติสูงกว่าสามารถที่จะยับยัง้งจิตไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตักชีวิตได้ไม่ไปรักทรัพย์ไม่ให้ไปพะพิผิดประเวณีไม่ไปพูดปดไม่ไปเสพสุรายาเหล้าได้เพราะว่าเรามีสติของมนุษย์นั่นเองเราเป็นมนุษย์เราถึง ที่สาเหตุที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าเรามีสติพอที่จะควบคุมใจของเราให้รักษาศีลห้าให้ได้นั่นเองเราจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายผู้ที่ไม่มีสติพอที่จะยับยัง้งหักห้ามใจไม่ให้ไปทําบาปทํากรรมได้ก็ต้องไปใช้เวทใช้กรรมในอบายนั่นเองไปเกิดเป็นเดราาัจฉานนะ ในมืน่อดุริชานก็มันก็บอกแล้ ว, ว่าเพราะเขาไม่มีสติที่จะรักษาสิ่งห้าได้เปรดก็เช่นเดียวกันผู้ที่ไปตกนรกก็เช่นเดียวกันเขาไม่มีสติพอที่จะยับยั้งการกระทาบาปได้แต่พวกเรานี้มีสติพอพอที่จะยับยั้งได้พอที่จะดึงใจให้ไปทำความดีได้ เราจึงได้เป็นมนุษย์กันหรือเป็นเทพกันการเป็นเทพนี้ก็คือการไม่ทำบาปและการทำบุญการเป็นมนุษย์ก็คือการไม่เป็นเทพการไม่ทำบาป ก, การทำบุญเนี่ยก็เช่นเดียวกันจึงจึงทำให้พวกเรานี้ต่างกับพวกเดรัจฉานมนุษย์จึงถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉาน เพราะมนุษย์นี้สามารถรักษาศีลห้ได้เพราะว่าเรามีสติพอที่จะยับยั้งใจของเราไม่ให้ไปทำบาปทำกรรมได้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะต้องไปทำบาปและเราจะไม่สามารถอยู่อย่างมนุษย์ได้เราก็ต้องไปอยู่อย่างเดะชะฉานทาั้งๆที่เรายังไม่ได้ตายไปเราก็ต้องไปอยู่แบบเดะชะฉาน คืต้องถูกเขาจับเข้าไปขังไว้ในคุกในตารางนั่นเองก็เหมือนกับจับจับสัตว์ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อนไปขังไว้ในกรงเราจะไม่ปล่อยสัตว์ร้ายสังสารให้ออกมาเพ่นพ่านเราไปเที่ยวสวนสัตว์ดูเขาจะจับเสือจับสัตว์ที่เป็นภัยต่างๆนี้ขังไว้ในกรงฉันใดมนุษย์ที่ถูกจับไปขังไว้ในคุกในตาราง ก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานเพราะใจของเขานั้นขาดคุณธรรมที่จะรักษาให้เขาได้เป็นมนุษย์ได้นั่นเองเขาจึงต้องไปอยู่เยี่ยงสัตว์เดรัจฉานต้องไปอยู่ในคุกในตารางหรือถ้าเขาทําอันตรายต่อผู้อื่นอย่างแสนสาหัสอย่างมากมายเขาก็จะต้องถูกจับไปฆ่าเลยถูกประหารชีวิต เช่นเดียวกับสัตว์ที่ไปกัดผู้อื่นกัดผู้อื่นตายก็จะถูกเจ้าหน้าที่เขาตามไล่ ย, ยิงตายไปในที่สุดเพราะว่าขาดสตินี่คือสติระดับต่างๆสติของเดรัจฉานสติของมนุษย์ของเทวดาแล้วก็สติของพระอริยเจ้าของ ส, สติของพระอริยเจ้านี้ สูงกว่าสติของมนุษย์ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เดะชะฉานก็อาจจะมีสติประมาณ25อมนุษย์นี้ก็จะมีสติประมาณ50ซพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับพระโสดาบันก็มี60พระสกิดาคามีก็มี70 พระอนาคามีก็มีแปสิพระอาหารหันต์ก็มีเต็มร้อยพระอาหารหันต์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะไม่ทำบาปหรือทำผิดเลยคือจะไม่ทำอกุศลเลยแม้แต่พระโสดาบันนี้ก็ยังมีการทำผิดมีการทำบาปอยู่คือทำบาปทางใจหมายถึงสร้างความทุกข์ให้กับใจของตนเอง เช่นเดียวกับพระสกิดาคามีและพระอนาคารีเพราะสติของท่านนั้นยังไม่มีกำลังมากพอที่จะหยุดจิตไม่ให้ไปสร้างอากุศลได้หมดไม่เหมือนกับจิตของพระอาหารหันต์ที่สามารถหยุดจิตไม่ให้ไปทำอกุศลหรือทำบา ท, ทั้งหลายได้อย่างร้อยเปอร์เซ็ได้อย่างเต็มที่ ขึ้นอยู่ที่กสตินี้เป็นหลักเพราะเมื่อมีสติแล้วก็จะมีสมาธิตามกำลังของสติถ้ามีสติน้อยสมาธิก็จะสั้นจะไม่นิ่งนานเวลาสงบก็จะสงบเดียวเดียวถ้ามีสติมากเวลาเข้าสู่สมาธิก็จะสงบมากถ้ามี สติเต็มร้อยก็จะสามารถเข้าสมาธิได้เต็มร้อยเช่นเดียวกับปัญญาถ้ามีสมาธิน้อยก็จ ะ, จะเจริญปัญญาได้น้อยจะมีดวงตาเห็นธรรมไม่สว่างเท่ากับผู้ที่มีสมาธิและสติมากขึ้นไปเช่นพระโสดาบานันนี้ก็มีแสงสว่างแห่งธรรมประมาณ 25% เเ พระสกิดาคามีก็มีแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาประมาณ 50% สซส่วนพระอนาคามีก็จะมีแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญา 75% และพระอรหันต์นี้ก็จะมีแสงสว่างแห่งธรรมหรือปัญญาครบร้อยเซจึงสามารถตัดพบชาติได้ให้หมดไปพระสกิดาคามีนี้ยังตัด ไม่ได้หมดยังต้องไปเกิดเป็นพรหมก่อนแล้วค่อยไปบรรลุไปได้ดวงตาเห็นธรรมครบร้อยในสวรรค์ชั้นพรหมส่วนพระสกิดาคามีและพระอนาคามียังต้องกลับมาเกิดใหม่พระสกิดาคามีก็มีเพียงชาติเดียวเท่านั้นก็จะบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปส่วนพระโสดาบันนี้ ก็ยังต้องกลับมาเกิดเจ็ดชาติถ้ายังไม่สามารถบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปได้ก็ต้องใช้เวลาถึงเจดชาติด้วยกันถึงจะบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปได้ต่อไปเพราะสตินี้มีกำลังไม่เท่ากับพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นั่นเองสตินึงจึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะพระองค์ทรงเปรียสตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าช้างทรงตรัสว่ารอยเท้าช้างนี้สามารถกรบรอยเท้าของสัตว์อืน่นๆได้หมดเลยกรบรอยเท้าของราชสีของเสือของหมีของสัตว์ต่างๆได้หมดนี่คือความยิ่งใหญ่ของสติ เราจรึงไม่ควรมองข้ามการเจริญสติไปถ้าเราต้องการความเจริญในการปฏิบัติธรรมคือสมาธิและปัญญาต้องเจริญสติซึ่งเป็นสิ่งที่เราเจริญได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอไปวัดไม่ต้องรอวันหยุดวันทํางานวันอะไรเราทําได้เราทําได้ทุกขณะตั้งแต่เราตื่นจนเราหลับ ขอให้เราดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันคืออย่าให้ไปในอดีตอย่าให้ไปในอนาคตอย่าให้ไปที่อื่นขอให้ดึงใจเราให้อยู่กับตัวเราให้อยู่กับร่างกายของเราไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ขอให้เรารู้ว่าเรากำลังทำเรื่องนั้นอยู่เช่นเรากำลังเดินก็ให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินอย่าไปคิดเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ อย่าไปคิดหถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นให้คิดอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังเดินก็เดินให้รู้ถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ดึงมันไว้ด้วยการบริกรรมว่าซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้เวลาก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาหรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธไป เพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆก็ได้นี่คือการสร้างสติถ้าเรามีสติดึงใจไว้ในปัจจุบันไว้ให้อยู่ที่ตรงนี้แล้วเวลาเรานั่งสมาธิจะให้ใจอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็จะไม่ไปที่อื่นแล้วเมื่อมันอยู่กับลมอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่นานมันก็จะรวมลงเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบ พอจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจิตก็จะเห็นความจริงว่าความสงบนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงและปัญหาที่ทำให้ใจมีไม่สงบก็คือกิเลสตัณหาต่างๆนี่เองพอรู้อย่างนี้แล้วเวลาออกจากสมาธิเวลากิเลสออกทางานใจก็จะรู้ทันทีว่านี่คือภัยของใจ ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในนี่เองคือกิเลสตัณหาต่างๆดังนั้นพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะสัดทันทีเพราะรู้แล้วว่าเป็นตัวที่มาทำลายความสุขอันประเสริฐแทนที่จะหลงตามความอยากเหมือนเมื่อก่อนอยากจะไปเที่ยวก็จะไปแต่เดี๋ยวนี้พอจิตมีความสงบแล้วมีความสุขแล้วพอเกิดความอยากไปเที่ยวปั๊บ ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีความสุขใจก็จะหายไป ท, ทันทีก็จะรู้ว่าว่าปัญหาอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวที่อยากไปเที่ยวโดยแทนที่จะไปเที่ยวก็กลับไม่เที่ยวตัดได้เลยนี่ก็คือปัญญาที่จะตามมาต่อไปและเมื่อเราตัดความอยากได้ไม่ไปเที่ยวได้ใจของเราก็กลับคืนสู่ความสงบ มีความสุขมากกว่าได้ไปเที่ยวอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันเราก็จะทำอย่างนี้ไปกับความอยากต่างๆที่มาคอยทำลายความสงบสุขของใจของเราจนไม่มีความอยากไม่มีความโลภหลงเหลืออยู่ภายในใจใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุดด้วยการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญา ตามที่ได้แสดงวันนี้เองจึงขอให้พวกเราทั้งหลายจงพยายามปลูกฝังศรัทธาให้เกิดมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการฟังเทศฟังธรรมให้มากขึ้นแล้วก็นําสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติให้มากขึ้นไปแล้วรับรองได้ว่าผลต่างๆที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้จะต้องเกิดขึ้นกับท่านสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนจึงขอฝาก เรื่องของการปลูกฝังศรัทธานี้ให้ท่านได้นำมาไป พ, พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้